ปฏิบัติมาได้สามวันสี่วันนี่ดูพวกท่านทั้งหลายก็มีใจสงบดีรู้เห็นภายในปัจจัตตังคือเห็นความรู้สึกของเราเบาสบายสงบเยือเกเย็นภายในนี่แหละคือลักษณะของบุญหรือบารมี ความเต็มเปี่ยมแห่งคุณธรรมมีคุณธรรมอยู่ในใจเราเข้าใจว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีความเกิดมีความตายมีความเจ็บมีความสวยสุขมีเพราะอานาจบุญกุศล ที่เรามาสั่งสมอบรมจิตใจของเราให้ดีขึ้นไม่ให้ตกต่ำผู้ที่ทำจิตให้สงบเป็นผู้ที่มีโชคดีแม้ตายก็ไม่หวั่นไหวตายก็ตายได้ไปสู่สุขติสวรรค์เพราะเราทำความดีเอาไว้แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ทำเอาแน่นอนไม่ได้ ถ้าผู้ใดบรรลุมากผลเป็นพระเยโคลโนโซดาบันขึ้นไปตายไปแล้วก็เกิดอย่างชา้าที่สุดเกศชาติไม่ตกต่ำเลยต่อเวลาที่เที่ยวเกิดแก่เก็บตายอยู่ไม่ไปสัววายภูมิหลังตายแล้วการเกิดก็น้อยลงเหลือเพียงเกดชาติเท่านั้นเอง ทีนี้เวลาที่เราเกิดมานี่ถึงแม้จะน้อยนิดเดียวถ้าเปรียบเทียบกับสวรรค์แล้วสว่าคขึ้นไปกว่านั้นอีกเยือกเย็นภายในกว่านั้นอีกนี่ผู้ใดโจรววันผู้ใดสักกทาคามีมาเกิดชาติเดียวผู้ใดอาณามาไม่ลงมาเกิดในภูมนุษย์เลย อยู่สวรรค์ชั้นสุทาวาสถ้าได้เป็นบรรลุเป็นพาาระอรหันต์ก็ไปสู่พระนิพพานไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัตสงสารนี้อีกเลยนั่นแหละบุญนะ่ะมันมีอยู่บาปมันก็มีมีทั้งบาปมีทั้งบุญบาปให้ผลเป็นทุกข์ บุญให้ผลเป็นสุขความสุขความเจริญที่เราทำอยู่ให้ทานรักษาศีลบําเพ็ญเพียรภาวนาตายไปแล้วไม่ตกต่ำถ้าได้สำเร็จเพร่อะหันแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีอีกเกิดตายชาตินี้ชาติเดียว หมดแล้วกระแล้วกันไปเลยเอาพระนิพพานไปเลยบาปก็มีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อภพิธิมิจฉาจารย์พวกนี้น่ะตายแล้วไปสู่อวัยภูมตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนเหลือที่จะประมาณได้ กว่าจะหมดกรรมหมดเวรจากนรกนี่โอยมันนานนะเกินาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปสองพระองค์สามพระองค์เราก็จะไม่พ้นทุกข์เลยทุกที่มีอยู่ น, น้อยๆมันให้โทษเป็นทุกข์เป็นความลำบากนานแสนนานตายแล้วก็ลำบาก ยังมีชีวิตอยู่ก็ลําบากถ้าเราไม่มีศีลมันก็ลําบากมากมันทุกข์ตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่ตายไปแล้วทุกข์อีกทุกข์ซ้ําหลายข้างหลายหนอตายไปแล้วก็ไปไหม่ในนรกนรกก็มีอยู่สันสีวนันนรกการสุตันรกสังคาตนันรก โลวลวนรกมหาโลวาลวนรกตาปนรกมหาตาปนรกอาวิจีมาานรกนี่คือทางที่เราทำบาปแล้วไปไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีความปฏิบัติดีไม่ทำดีกับบิดามารดาไม่ทำความดีเอาไว้ ตายไปแล้วก็ตกต่ำอย่างสันชีวนณโรกนี่แหละวันหนึ่งคืนหนึ่งของสันชีวนณโรกนรกครบแรกนะมันทวีไปเรื่อยๆจนถึงอเวจีมหาโลกสันชีวนณโรกนี่มีอายุยืนห้าร้อยปีนรก ฟันนึงขึ้นหนึ่งของสันสีวโลกเท่ากับเก้าล้านปีในมนุษย์เก้าล้านปีในมนุษย์ถึงเลยเป็นมนุษย์แล้วกลับมาถามหาญาติก็ไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นใครจำไม่ได้มานานเกินไปให้คิดดูวันเดียวคืนเดียวเก้าล้านปีโอ้โห เอาไีมหาโลกเหรอหนึ่งอันตรกับกับหนึ่งนี่เขาเอาสะใบหนึ่งกว้างหนึ่งโยศยาวหนึ่งโยศสูงหนึ่งโยศร้อยปีมีเทวดาเอาเมล็ดงาไปวางลงหนึ่งเม็ด เฝ้าทําอยู่อย่างนั้นนานแสนนานกว่าสะใบนั้นจะเต็มด้วยเมิดงาสะไปนั้นเต็มด้วยเมิดงาจึงเรียกว่าหนึ่งกับหนึ่งกับหนึ่งก็นานแสนนานเหมือนกันให้ลองคิดดูแต่เอาข้อนเอา มาตูมมะเฟียงมาไฟก็ยังว่านี่เอาไม่เม็ดงามันน้อยนิดเดียวเมื่อไหร่มันจะเต็มกลับหนึ่งนให้คิดด้วยเราตัน้อยลกนี่อย่างไปอเวกีมหาโุกเนี่ยอันละกลับหนึ่งโอโนานแสนนานพระพุทธเจ้าถือตายหลายพระองค์จึงจะพ้นจากทุกข์อันนั้นจึงจะได้มาเกิดเป็นคนโทษทุกข์มันมีอยู่ มีแน่นอนพระพุทธเจ้าตัดไว้ในเทวทูตสูตรก็เกี่ยวกับเรื่องนรกนี่แหละเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบาปกรรมที่ทำไว้แล้วนี่ให้ลองคิดดูความชั่วนี่ให้ผลเป็นทุกข์จริงๆถ้าใครไม่มีศีลก็ให้ตั้งใจรักษาศีลให้มันดี ถ้าเรามีศีลอยู่ในใจอยู่ในตัวเราเราก็ไม่ตกต่ำยิ่งเราได้ฝึกปฏิบัติธรรมอย่างนี้อัตมาว่ามันต้องได้คุณธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งอย่างต่ำที่สุดก็โสรบันละ่ะนี่แหละเราไม่ตกต่ำแน่นอน เอาไปสู่ความสุขความเจริญไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นกังวลมีแต่ความดีความสุขความสบายพรานการทำดีจึงจำเป็นกับทุกคนหนึ่งให้รักษาศีลสองให้ทานสามภาวนา คือปฏิบัติธรรมอย่างที่เราทําอยู่นี่แหละถ้าเรามีอย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าเราเข้าถึงความดีทานเราก็มีศีลแล้วก็มีภาวนาก็มีมรรคผลก็มีแล้วมันจะตกต่ําได้ยังไงมันจะไปนรกไหมมันไม่ไปเพราะบาปอกุศลนี่เราไม่ทําแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปเพราะบุญให้ผลเป็นความสุข นรกให้ผลเป็นความทุกข์นรกสวรรค์มีจริงเทพเทวดามีจริงอย่างสวรรค์นี่ก็คือผู้ที่รับความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขกายสบายใจขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนี้ เพื่อทำจิตของเราให้สบายให้มีความสุขให้รู้จักทางพ้นทุกข์ถ้าเราทำได้ทำเป็นมันก็เป็นความดีงามของเราถ้าเราทำไม่ได้ทำไม่เป็นก็หัดเอาฝึกเอาทำเอาอ ม, มันก็ไม่ยากเกินไปรักษาศีลก็ไม่เป็นของยากให้ทานก็ไม่เป็นของยาก ภาวนาก็าไม่เป็นของยากเกินไปเกินกําลังของมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ธรรมะที่เกินกําลังของบุคคลที่จะปฏิบัติตามซึ่งเรียกว่าเวไนคือโปรดได้สอนได้อบรมได้ถ้าคี้เล่ามันไปว่าไงมันอบรมไม่ได้นะคีเล่านี่สําคัญว่าขีเล่านี่โอ้ยชอบนินทาพระบ้างอะไรบ้างติคนนั้นติคนนี้เนี่ย มันเป็นอย่างนี้อ น, นั้นคือคนหมดโอกาสแล้วเขาจับคอแล้วก็อ้าปากไว้ก็น้ำแดงเทลงไปว่าอยากดื่มเหล้าที่ไรเขาก็เทลงไปไม่ท้องไม่ไส่ไม่ปากไม่ไส่ไม่พุง่งตายไปกรรมยังไม่หมดขอเป็นต่ออยากกินน้ำ ก็เอาน้ำให้กินโยมพา่อบาล น, น่ยเอาน้ำให้กินน้ำก็ไม่ใช่น้ำของเราเนี่ยน้ำที่เรากินอย่นี้มันไม่เกิดโทษอะไรแต่ น, นั้นพอกินเข้าไปมันไม่ใช่ธรรมดามันไหม้ท้องไหม้ไส้ไหม้ไปหมดทุกส่วนทุกสิ่งตายตายเกิดเกิดอยู่ในโลกนี้นานแสนนานกว่าจะพ้นจากทุกได้โอ้โหไม่รู้เมื่อไหร่ กี่กับกี่กันก็ไม่รู้โทษบาปอันนั้นมันให้ผลเป็นความทุกข์เรารู้อยู่ทุกคนนะ่ะแต่ว่าเราไม่เห็นโทษตายแล้วจึงเห็นโทษแต่ที่จริงไม่จำเป็นต้องว่าตายแล้วจึงเห็นโทษเห็นทุกข์ในมนุษย์ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นบาปแต่ก็อดไม่ได้อยากจะ ก, กินเหล้าเมาเบียไปกินเข้าไปแล้วคุณธรรมของเรามันก็อ่อนกำลังอ่อนลงจนไม่มีอะไรเหลืออยู่นั่นแหละชั่วมันก็มีอยู่ถ้าเราทำถ้าเรารักษาศีลพัง ร, รมปฏิบัติธรรมมันไม่ตกต่ำหรอก มันไม่เสื่อมหรอกมันเจริญมันสบายมันมีสุขถ้าใครอยากได้ความสุขให้หนึ่งให้ทานสองรักษาศีลสามภาวนาทางแห่งบุญก็เรียกว่า บ, บุญกิริยาวัตถุสามทานศีลภาวนาภาวนาก็คือเราทาอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรียกว่าภาวนา ทานเราก็ให้ศีลเราก็รักษาอยู่พู ด, ดง่ายๆว่าจิตใจบริสุทธิ์ทุกคนแต่มากน้อยต่างกันถึงไงก็ถือว่าเราได้ความสุขเพราะเราได้ทำความดีเอาไว้เราจะไม่ได้ไปสั่วบายภูมิเพราะว่านรกก็มีไม่ใช่ไม่มีสวรรค์ก็มีไม่ใช่ไม่มีพมะโลกนิพพานมีอยู่นั่นแะ มีอยู่จริงๆอันนี้โรกก็มีอยู่สวรรค์ก็มีอยู่พระนิพพานก็มีอยู่เราปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้เราเดินทางไปพระนิพพานกําลังก้าวเดินไปเพื่อให้ถึงพระนิพพานเพราะพระนิพพานนั้นเป็นคุณธรรมสูงสุดในพพุทธศาสนานี้ไม่มีสอนในที่อื่นมีแต่พระพุทธเจ้าทรงสอน สอนอะไรบ้างสอนเรื่องอริยมรรคมิโยงแปดสติปฐานสี่ที่เอามาปฏิบัติอยู่นี่ก็อริยมรรคมีโยงแปดคือสัมมาสมาธิเราทำจิตให้สงบทำอย่างไรจิตเราจรึงจะสงบก็ให้ตั้งใจเอาไว้ทำอย่างนั้นที่ครูบาอาจารย์สอนไว้ให้ทำตามนั้น ถ้าทำตามนั้นแล้วมันก็ได้ได้ผลได้ผลในทางปฏิบัติพูดง่ายมาได้ความสุขได้ความสุขความเจริญแก่จิตใจของเราขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งใจปฏิบัติต่อไปนระกมีนะสวรรค์ก็มีนิพพานก็มี ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไม่รู้จกกี่กับกี่กันกว่าจะพ้นจากทุกได้เรามีโอกาสแล้วชาตินี้พบนี้เราได้โ อ, อกาสแล้วเราต้องทำเอาความดีนี้ให้เกิดให้มีขึ้นในตนแม้ว่าเราอยู่ยที่ไหนเราก็นึกได้พุทโธพุทโธในใจไม่มีใครมารู้เราเราทำของเราเองใจของเราจะเป็นสุขสงบล่มเย็น มีมรกมีผลเกิดขึ้นขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป